ตอนแน่เฮ็ดบาปมันก็ยังหอดตอนได้เข้าในเฮ็ดบุญมันก็เย็นตอนไดเข้าในสางบุญหน่อยสางใช้หัวใจไว้เย็นโยนําบาปกับโยนกันไหนถ้าบุญแล้วก็ไปโยนใจถ้าบาปแล้วก็ไปโยนใจท้าบุญก็คือทถาบุญบวกตัวใจสะลองใจต้ออายุของบุญกับต้ออายุที่ใจต้ออายุของบาปกับต้ออายุที่ใจ ถ้ามีท้าตัวมันก็ไปสลองใจเมื่อวันที่สรองดื่มฝ่าอากาศไม่ใช่หรืออันนี้มันแม่นทังกะพระองค์ว่านว่าคนข้านวัดศีลวัดพระวนาวัดกรรมใจเป็นผู้เฮ็ดโลกโกดหลงกรรมใจเป็นผู้สางขึ้นคันธ์เสียโทษกรรมใจเป็นผู้ติเห็นคันธ์บํามพนเห็นโทษกับใจเปลีนผู้ติพ่เห็นกุศลพ้นบุนท่านเศีลพระวนากรรมใจเป็นผู้สางขึ้อนกรรมเห็นคุณกรรมใจกุศิเป็นผู้เห็น <c oughs> ขันมันว่าเห็นกับมันใจเป็นที่เป็นผู้ว่เห็นอันอื่นก็บพ่อมาญาติเส็นนาอันนี้เป็นของคับว่าสุนียถ้ามันมาพ้นจากกองทุกข์กับพ่อให้มันเป็นเนืสัยไ่ใส่หมูเห่อคําสอนพระพุทธเจ้าสอนแบบครบมาแน่เอบายมุกเป็นมันวุตติบัติเป็นสวรรค์วิบัติเป็นพ่อเมรุวัดเป็นนิพพานวัดเหมือนกัน ข้แม right, ่นจากอับายจะมุกกะเป็นมนุษย right, ์สมบัติสวรรค์สมมัติพุ่มสมบัตินิพพานสมบัติมันก็ไม่ทา้งสองสินเท่านั้นมนุษย์เวบัติกะไม่ร้ายสั้นมนุษย์สมบัติกะไม่ร้ายสั้นสวรรค์สมบัติกะไม่ร้ายสั้นพุ่มสมบัติกะไม่ร้ายสั้นนิพพานสมมัติกะไม่ร้ายสั้นนิพพานพระโสดาบันละชียร์ได้เป็นเอกเทศพระสกทาก้าไม่ละเชียรได้เป็นเอกเทศ รรพระนะ่าฆา เ, เมือกะ้าเลียดกับในเรเทศพระทหารละเลียดในมือนั่นเป็นนิพพานอันเดียวนิพพานไปร่วมนี่คุณที่นี่ทุ ก, กไปร่วมไม่่ฮะเนี่ยไปร่วกับมหาไปร่วมนีมหาวีจิรหรอกเไปร่วมอยู่ร่ว ม, ก, มกันกัรนละละั่หรอกทีนี่พรมาชเทวังพระขันท า, ากไัยเนี่ยฮะจะบตัดองค์ลูกปมหาองค์ลปปูกปมหาสบายไหม คนตั้งหมื่นคนตั้งหมื่นเรืออืมอืมมากกว่าสักปีเพราะเขาไม่มีที่ไปเขาก็ไปเขาไม่มีที่ไปนะยกทองขาวต่อยกทองขาวต่อสู้ไม่ไหวเอออือทําไมเจ้าไม่บอกว่า ถ้าคนไม่หาพระมาหาพระเวสสันดนจะไปหจะไปหาใครทำไมจึงไม่พูดก็พระเวทสันดอนคนก็ต้องไปมากพระเวทสันดอนกับพระบรมศาสด า, า, าเขาอันเดียวกันคนในภาคออสารก็ไปนะั่งพระทาั้งหลายไปบินถบากตกำลังปู่มาหาไหม้หรือไปคนหน้าทางนะบุญเพ่งมาช่วย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 ใครจะทําอะไรก็ผ่านพระพุทธศาสนาหมดเขาจะเอาเขาจะนึกอะไรในทางกุศลคนบุญก็ต้องผ่านว่าผ่านพระพุทธธรรมประสงฆ์หมดเพราะผ่านทางกิตทางใจของเขาเช่นจะเอาเข้าไม้หักพักเส้นหนึ่งมาให้ทานก็ผ่านพระพุทธธรรมประสงฆ์หมดเพราะขณะเก็ใจของเขานถึงพระพุทธธรรมประสงค์เสียก่อนเขาจึงผ่านออกในในในโวกล้วนอนิจจังในในในโลกล้วนทุกขังในในในโลกล้วนอ น, นัตตา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 ไม่ได้ไปบวกที่อื่นสังขารโลกโลกคือสังขารสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่วันนี้เทวโลกได้แก่ฉะกามาพิจรณาหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปปรหมเจ็พกชั้นก็จิตใจของแต่ละท่านลคนนั่นเองก่อขึ้นใครมีอิสระก็แต่ละท่านลคนนั่นเองมีอิจฉะ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 มันตามไปมันก็ไปพบแต่เรื่องร่างแต่เมื่อพบมเมื่อเมื่อ่้นจากกิเลสผลของกรรมตามไปมันก็ได้ทั้งหนังทั้งเขาเลยไม่ว่าทางดีนสางสั่วถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันจะรับเทใดๆก็ตามเถิดกรรมและผลของกรรมเป็นสารไต่สวนเป็นสารตัดสินเป็นสังขารยาอยู่ในตัวแล้ว เราไปเหยียบไฟไฟก็สังขายานาให้แล้วไปเหยียบน้ําน้ําก็สังขาร ย, ยนาให้ถ้าเราเว้นก็สังขายานาทางเว้นก็ไม่เป็นอันตรายผ<ม>ู้ที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบนอกเหนือเขาทำเอาไปเลยทําไมเขารวยมากมีคนถามอยู่<ม>เออเราไม่ได้มองเขาว่าเขาจะรวยไปขนาดไหน<ม>เร า, มาไม่มองเขาสักไ เราไปเห็นแล้วก็ให้คะแนนเลยเพ่งเลยทีนี้เอาพวกที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบเขาอยู่ได้ไหมเขาก็อยู่ไม่ได้แต่กระเจิงเลยผลของกรรมถ้าว่าผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสานาเหมือนกันพวกที่ถือว่ามันไม่บาปไม่มีบุญเขาไปได้ไหมเขาก็ไปไม่ได้ใช่ไหมแต่กระเจิงกันเลย ทำไมจึงมีผู้ถือพระพุทธศาสนาน้อยนักทำไมจึงมีมแมลงผู้มแมลงพึ่งน้อยนักมแมลงวันมแมลงหวีทำไมมากแค่ยุงก็กรรมและผลของกรรมพระพุทธศาสนาไม่ใช่พระพุทธศาสนาต่ําต้อยผู้ที่สร้างบา ร, รมีไม่ยามทันแก่กล้าจะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็เป็นไปไม่ได้นะ ผู้ตาบอดจะมาสนเข็มก็เป็นไปไม่ได้คนขาหักจะวิ่งเร็วก็เป็นไปไม่ได้คนบ้าบ้าเสียจริตผิดมนุษย์จะให้มาเริ่มมสมนุษย์มันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนี้เสียงร้องไห้ร้องห่มเสียงสาบเสียงแฉ่งก็มีอยู่ทุกยามย่า กลิ่นของโลกจะเป็นยังไงก็คือกลิน่นเหม็นเราดีๆนี่เองพระฝังไม่ทันพระเผาเผาไม่ทันพระพุทธศาสนายังอยู่ยังยืนยงรงอยู่ที่หัวใจเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยถ้าพระพุทธศาสนาพินาษออกจากหัวใจเราแล้วชาวพุทธจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมอดมุ้ยสุดเิ้นสกุลพุทธ ใครานใครรุรกร้าวชาวพุทธอันบบที่สุดอยู่ที่รวงใจผลของกรรมจะตามถึงที่สุดในทางลบอยู่ทั่วการนานพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วใช่กฎหมายใดๆก็ตั้งไม่อยู่อูของทรรมไม่นำคำานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทำความช่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับ และผลของตําก็จะในทางลบก็จะตามทันอยู่ทั่วการนานแลในไตโรคธาตุจะตั้งกองทับขึ้นเป็นกองทับน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้ามันก็ไม่ถึงฟ้ามันก็ตกใส่น้าของใครของมันนั่นเองพระพุทธศาสนาก็โดยในมดไตโรคธาตุนี่ยจะมาลบมาล้างว่าพุทธศาสนาก็ลบล้างไม่ได้ พระพุทธศาสนะม่ได้อยู่ที่ฟ้ามันก็อยู่ที่หัวใจของมนุษย์ถ้ามนุษย์ถือถ้ามนุษย์ไม่ถือมันก็ทําลายอยู่ที่หัวใจตนเองสัตว์ก็เหมือนกันเท่ากับวัวน้านนลายรดขึ้นฟ้ามันก็ตกลงมาหาตัวแล้วโกรธให้ต้นเสาเราไปคว้างปลาใส่มันคว้างไกลมันไม่ถึงคว้างใกล้ก็นักวยเองก็รบไม่ทันภูเขาและหินดานก็เหมือนกัน คว้างปลาคว้านใส่มันก็กระเด็นใส่ตนเองผู้คว้างนั่นเอง mm hmm. กรมมุนาวัตติโลโกสัตโลกเป็นไปตามกรรมแผ่นดินยังมีสูงต่ำรุ่มรอนอยู่ตราบใดบัวใต้น้ำเสมอน้ำดอกตูมหรือบานดอกผัวทีเรามีอยู่ในโลกตราบใดผู้ทำดีก็มีอยู่ตราบนั้น ผู้ทำชั่วก็มีอยู่ตามนั้นผู้ชั่วก็สืบชั่วไปในโลกคนดีก็สูบสืบดีไปในโลกตกลงก็เป็นเมืองขึ้นของคนดีในไตโรโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานหมดแต่ยังไม่มีคิวผู้ที่มีคิ้วแล้วก็คือพระโสดาบันต่ำกว่านั้นลงมาก็ยังไม่มีคิวพระโสดาบันมีคิวแล้วจะเดินลุดหน้า บานหน้าตะพื้นไม่กลับมาแลมอกีกเหมือนดังพระจันทร์ในวันเพลนแต่พระจันทร์ในวันเพลนกลับมาแลมอกีกอันนั้นไม่กลับมาแลมอกีกดอกบัวสี่เหล่ในขั้งพุทธการดอกบานก็าบานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอหน้าก็เสมอหน้าเต็มภูมิดอกใต้หน้าก็ใต้น้าเต็มภูมิมีอยู่ทุกการทุกเวลาของโลกจะปฏิเสธไม่ได้ถ้าหากว่าความชั่วเป็นนายหน้า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 สอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิแลว้สวสอนพรมสมบัติเต็มภูมิแลว้สวสอนนิพพานสมบัติเต็มภูมิแลว้สวสรมนุษย์เต็มภูมิคือสอนอยังไงอวาัยามุฒทุกประเภทถ้าไม่เว้นก็เป็นมนุษย์วิบัติถ้าเว้นก็เป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วสวรรค์สมบัติก็เปิดประตูไปอเองพรมและนิพพานก็เหมือนกันผู้ใดไม่เสียดายร่วงละเมิดสินห้า ไม่เสียดายอยากจะล่วงอบายมุกไม่เสียดายอยากจะถือศาสตร์าอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะฆ่าขายเครื่องปหารฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์เป็นเรื่องสัต์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารฆ่าขายน้ำเมาฆ่าขายยาพิษการฆ่าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเลยไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดทั้งเสียท่าด้วย ภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็าตามตลอดวันตลอดรุ่งตลอดคืนก็าตามยืนขาเดียวอ้าปากกินลมเหมือนชมพูกะก็าตามอดอาหารขุ้มผมขนขุ้มผมขุ้มหล่นขุ้มขนหล่นก็าตามจนจบขอมก็าตามถ้าเชียอได้อยากร่วและเมิดเฉียนห้าถ้าเชียอได้อยากจะถือศาสดาอื่น ถ้าเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกับพันเลิกดียามดีหรือจองเวรท่านผู้อื่นอยู่ก็โสดาบันไม่ได้จองเวรท่านผูดด้ใดเลยถือเขาเคยทําผิดมากับเราแต่ชาติก่อนก็ให้เรากันไปซะเขามาก่อใหม่ก็ให้เรากันไปซะแต่เราโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรส่วนกรรมอารมณ์ของโสดาบันมีขอบเขตที่อยู่ในคาราวาสไม่สามารถล่วงละเมิดสามีและภรรยาของตนได้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 มันก็ไม่ใช่พระสุดาวันยังเป็นโลกีอยู่ไม่ใช่โลกุตระทําไมเราจึงปรารถนาโลกุตระจรึงต้องโลกต้องการโลกุตระเพราะอะไรเป็นเหตุให้เราต้องการโลกุตระเพราะเราเห็นในไตโลกธาตุต่ไปด้วยกองทุกขล้มฐานพเพลิงคืออะไรคือโลกโกรธหลงคือล้มฐานพเพลิง ลมใหญ่ของมันล้มใหญ่ของมันก็คือหลงล้มโรคล้มโกรธเป็นวางขึ้นของหลุมหลงอะไรจะมาชำระสะสางเ่าสิ่งไหนที่ไม่โรค ก, ก็จะมาชนะโลกสิ่งไหนที่ไม่โกรธก็จะมาชนะโกรธสิ่งไหนที่ไม่หลงก็จะมาชนะหลงชนะความหลงด้วยความไม่หลงชนะความเกียจคร้านด้วยความขยัน ชณะความเข้าใจผิดด้วยความเข้าใจถูกชนะมืดด้วยความสว่างชณะความโง่ด้วยความฉลาดอุปสรรคปัญญาวิเศษเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายโลกกลายเป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาด้วยทำไมจึงไม่นอนใจในวัฏสงสารเพราะยังไม่มียาว่าพ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็นอนใจในวัฏสงสารสิ ถ้าไม่ยานผู้ไม่ไมยานว่าเพลนทุกในวัฏตะสงสารแล้วจะนอนใจในวัฏตะสงสารมันก็ไม่ถูกผู้นอนใจในวัฏตาสงสารก็คือผู้นอนใจในหลวงฐานเพลิงนั่นเองทาไมจึงนอนใจเพราะความหลงไม่องนาจเพราะยังไม่ถึงปัสจาบันถ้าถึงปัสดาบันแล้วก็ไม่นอนใจเลยเพราะเห็นดิบดีดิบดีในฝั่ง ไม่โรคไม่กวดไม่หลงแล้วพระพุทธสงงบวดมาแล้วไม่ว่าสมณะชีพามถ้ายัางเสียดายเรื่องละเมิดละบายมุอยู่สู้เขาวรักษาสียนห้าอยู่บ้านไม่ได้บวชมาเพื่อปัจจัยสี่ปัญหาก็มาบวชมาเพื่อทำลายความหลงของตนปัญหาไมา่ว่า บวชมาเพื่อกีวรมินทบาดเนาสนาสนะและเทสัชเรียกว่ายังไม่ถึงสุปฏิปนโนเพราะยังไม่ดวไม่เห็นดวงตาเห็นธรรมรักษาพระพุทธศาสนาเพื่อเกียรติเพื่อยศเพื่ออะไรต่ออะไรก็ยังเป็นโลกีอยู่โลกีจิตนาพุทธสีจำพวกสำมาสำพุทธเป็นจำพวกที่หนึ่งพระเจกาพุทธเป็นจาพวกที่สอง สาวกสาววิกาพุทธะอัตถหันเป็นจำพวกที่สามพระอนาคามีเป็นจำพวกที่สี่พระสกทาคามีเป็นพุทธะจำพวกที่ห้าพระสกทาคาพระโสดาบันเป็นจำพวกที่หกพุทธะหกจำพวกก็ว่าแต่พวกสาวกาเป็นเป็นสาวกโกพุทโธพวกสาววิกาก็เป็นสาววิกาพุทธา ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธโธสัมมาสัมพุทโธมีจำพวกเดียวพจิกสพุทโธก็จำพวกเดียวส่วนสาวกสาวิกาพุทโธจัดได้แบบหนึ่งเองโลกเวทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกสัมมาสัมพุทโธโลกเวทูเป็นทั้นที่หนึ่งพจิ ก, กเป็นทั้นที่สองพระธรรมตาชีนาศพท่ 3, นานที่สามอนาคน fahr, มามีอนาคามีทั้นที่สี่สัจธรรมีทั้นที่ห้าพระสวัสดิวันทั้นที่หก นี่โลกเวทูในส่วนสาวกโลกเวทูผู้รูเล enf, ล้เรืู่แจ้งโลกในส่วนสาวกโลกเวทูผู้รู้แจ้งโลกในส่วนสัมมาสมัมพุทธะก็มี cott, ส, มมสมาสมัมพุทธเจ้าหรือกว่าพระเจกอันนั้นเป็นขั้นที่หนึ่งที่สองลงเรียงลงมาปัจจุบันของประฉวดาบันปัจจุบันของพระสกทาคามีปัจจุบันของพระอนาคามีปัจจุบันของพระอรหันปัจจุบันของพระอรหันเป็นปัจจุบันที่จบแล้ว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 เป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาเป็นผู้เสมอว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาเนี่ยเป็นหกเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวเร็วกว่าเขาเป็นเก้าเรียกว่ามานะเก้าอุดทัดจับความคิดพลาดเช่นนึกอะไรก็เพินเกินกว่าเหตุแต่พระอรหันต์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นข้ามไปแล้วอวิชชาอันเป็นเหตุไม่รู้จริงพระอรหันต์ก็รู้จริงแล้ว ความหลงไม่มีในคันทะสันดาลพระทหารเลยมีปัญหาว่าพระทหารรักษาจิตไม่พระทหารไม่รักษาจิตท่านหรอกเพราะเหตุใดเพราะจิตที่ไม่มีจิตไม่กลัวแพ้กลัวชนะเสียแล้วจะรักษาอาตายทาไมเพวกที่ยังไม่พน้นถ้าไม่รักษาวันก็ผิดจริงจร่งๆไม่น้อยก็ต้องมากถ้าพระทหารท่านผู้พ้นไปแล้วท่านรักษาจิตท่านอยู่มันก็ท่านก็เป็นทุกข์ตายเพระเพียบเหมือนคนคุมนักโทษ เกรงว่านักโทษจะหนีด้วยเกรงว่านักโทษจะทําลายตนเองด้วยเหตุนั้นท่าน พ, พ้นไปแล้วท่านจึงไม่ได้รักษาจิตของท่านนกบินในอากาศไม่มีรอยเลยใครก็ถ่ายโทรทัศน์เอาก็ไม่ได้ชันในกนดก็ดีจิตขององค์ท่านจะนึกวันยังค่ําก็ไม่ติดอยู่เพราะไม่ในอุ ป, ปาทานเป็นทั้งขานรุนรนุนเหตุนั้น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 เรารู้นิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองพระรู้ก็เป็นแต่สักว่ารู้จบเพียงนั้นและไม่ต่อไปในทางที่จะโลกูดหลงกานพูดอย่างนั้นศีลก็มีตัวเดียวสมาธิก็มีตัวเดียวปัญญาก็มีตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาของปโสดาบันศีลสมาธิปัญญาของสกทาคามี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 เทวโรคได้แก่ชากามาพจจระสาร6ชั้นพรหมโรคได้แก่รูปภรม16ชั้นกับอรูปภพม4ชั้นโรกทั้งหลายย่นลงมาในสังขารโลกสังขารโลกแบ่งออกเป็นสอง ุปปาธินะกะสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาธินะกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองบุปปาธินะกะสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาธินะกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองสังขารทั้งสองนี่มีผลลัพธ์อยู่ว่าสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกข์อย่างยิ่งอันนี้จังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกขังอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่ง รูปนามเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันเมื่อโลกเต็มไปด้วย อ, อนิจจังทุกขังอนัตตามีทุกขาดตัวแล้วความสงสัยในโลกอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่มีเลยเตตะเจิงอวิชาจัญหาอุปทานกรรมนี่เป็นตัวศีลชั้นสูง เป็นตัวสมาธิชั้นสูงเป็นทัวปัญญาชั้นสูงเมื่อใดเห็นธรรมทั้งหลายว่าไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพร้อมกับลมเข้าออกแล้วเมื่อนั้นแหละด่อมนายในทุกนั้นแหละทางแห่งวิสุทธิเศวตวิสุทธิสมาธิธวิสุทธิปัญญาวิสุทธิลกลมตืนกันในปัจจุบันเลยพระบรมศาสดาคนชั้นสูงก็ต้องให้สูงคนชั้น กอชรลอากาขอชรลาอาขาล้วจะไปบอกให้คูณเลขสามตัวมันก็คูณไม่เป็นแต่ว่ายังไง <c oughs> ทีนี้ลึกมันก็ลึกออกไปจากใจยาวมันก็ยาวออกไปจากใจโวหารก็คือหารลงมาถึงใจโวหารกับโหวหอนก็อันเดียวกันหารก็หารลงมาถึงใจ สัพพะทุกย่ลงมาหาเอกะทุกในปัจจุบันสัพพะสังขารย่ลงมาหาเอกะสังขารในปัจจุบันถ้าให้อย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามทะเลหลงของตนได้ใครเป็นผู้หลงโลกก็กิเลสเป็นผู้หลงโลกโลกมันจะมาหลงกิเลสใครเป็นผู้หลงตาก็กิเลสเป็นผู้หลงตา ห, ลาหตาหูจมูกเล่นกายใจก็หมุนกันตาหูจมูกเล่นกายเป็นโรคภยัยอะไร ตาหัวจมูกเลี้ยงกายใจเป็นโลกภายในรูปเสียงกลิ่นรสหดทพะธรรมารมณ์เป็นโลกภายนอกเป็นสังขารภายนอกย่นสังขารออกมาเป็นสองซัรูปสังขาร น, นามสังขารซะรูปปรโรคนามะโรคซักรูปปโรคนามะโรคกับรูปธรรมนามธรรมก็ไม่มีความหมายอันเดียวกันเกิดขึ้นแล้วก็ในอดีตสังขาร น, นั้นก็ดับในอดีตแล้วสังขารใดจะเกิดขึ้นในอนาคตสังขาร น, นั้นก็ดับในอนาคตแล้ว สังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็จะดับในปัจจุบันเหมือนคําพูดแต่ละอย่างะอย่างที่พูดอยู่นี้ก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปแต่ละคําละคาพูดใหม่ก็เป็นคําเก่าก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปอีกเหมือนกันสวัสดีปีใหม่แต่ใกล้จะตายกว่าพี่ตายนี้แต่ล่วงไปแล้วล่วงไปล่วงไปหาระหว่างไม่ได้นั่นเหมือนกันเป็นรอบๆห้าระหว่างไม่ได้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 ท่านตจงเป็นตาเนอรอพญาคิตราชไปใส่ให้<ม>หูเอย๋ยหูเอย๋ยท่านจงเป็นหูเนอครับก็ไมาว่าปฏิเสธก็ไมาว่าวางเฉยก็ไมาว่าจมูกเล่นกายก็เหมือนกัน ใ, <ช>ใจเป็นผู้ใส่ชื่ อ, อนามให้เมะหนำซ้าเออท่านเป็นท่านเป็นผู้ใส่ชื่ อ, อนามให้ข้าว่าตาหูจมูกเล่นกายแล้วข้าจะตอบแทนท่านท่านจะข้าจะ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 ลงมาหาไกลย่นลงมาหาไกลมันก็เชือกเส้นเดียวขึงยาวเหยียดทั่วทั้งไตโรกระแทไม่มีเชือกเส้นอื่นเลยถ้าจะย่นก็ย่นลงมาหายักหน่วยเราจะนับถึงแสนถึงหมื่นถึงล้านก็ตามเราก็นับออกไปจากรักหน่วยถ้าย่นลงมาก็ย่นมาหายรักหน่วยใช่ไหมหน่วยศูนร้อยพันหมื่นแสนล้านกูดชั้นใดก็ ด, นนกดีจะพูดวันยังค่ําก็ย่นลงมาใหา้หาเอกนิบาตคือใจ ถ้าสำคัญไ่ว้ใจเป็นตนตนเป็นใจนั้นก็หลงใจอยู่ไม่พีกลางวันกลางคืนใจเป็นศัตรวาใจไม่ใช่ศัตบุคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุพัสนาเท่านั้นมันก็ปล่อยวางไปในตัวถ้าสำคัญว่า้ใจเป็นตนตนเป็นใจใจมีในตนตนมีในใจมันก็ปล่อยวางใจไม่ได้ใครมาต้องก็ไม่ได้ตทางผ่านคอใสเหมือนงูเห่าถูกไหม ทำยอนลงมาแล้ว้ีนขยายออกให้เห็นแล้วก็ยอนลงมาอีกเชือกเส้นเดียว ด, ดึงออกให้เห็ น, นแล้วก็โคงมาให้เห็นอีกด้วยศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวศีนห้าตัวถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ใจศีนแปดถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเป็นศีนแปดเป็นเชือกแปดเกลียวอยู่ที่ใจศีนสองรอยยสิเจ็ดถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นสองรอยยี่เจ็ดเกลียวอยู่ในใจแปดมื่สี่รในในในใสพระธรรมขันธ ถ้าไม่ไม่ร่วงละเมิดถ้ารวมลงมาแปดมืนสี่พระธรรมขันก็เป็นเชือแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันเกลียวรวมอยงอยู่ที่ใจในปัจจุบันเองเหตุนั้นจึงไม่ควรสงสัยถ้าสงสัยมันก็สายมันก็บายมันก็ค่ําสายคืออะไรคือแก่แล้วบายคืออะไรบายค่ําคืออะไรคือตายทิ้งพูดน้อยก็น้อยออกไปจากใจพูดมากก็มากออกไปจากใจหานก็หานลงมาหันใจเหตุนั้น ท่านจึงบอกว่าพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุพันธนาเท่านั้นอย่าไปให้คะแนนอันอื่นเน้อเวทนาก็เป็นสักว่าเวทนาสุขทุกข์เบกขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุพันธนาเท่านั้นใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมวาใจนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา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 ก็ผู้ปัจจุบันนี้เองไปส่งสายหาอาดีตอนาคตไปส่งสายหาอาดีตมันก็มีแต่บัญชีเพราะมันล่วงไปแล้วอมีแต่บัญชีตัวเงินก็ล่วงไปแล้วตัวสงสายเพื่หาอนาคตเท่นี่จะไปยึดมั่นถือมั่นในอนาคตว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลดีมันก็ยังไม่ทันดีชั่วมันก็ยังไม่ทันชั่วก็เป็นแต่สักเพ่าอนาคตจะเท่นี่ย้อนลงมาหาปัจจุบันก็มีทั้งเขาทั้งหนังด้วย มีทั้งเงินด้วยมีทั้งบัญชีด้วยเหตุฉะนั้นท่านจึงยืนยันว่าปัจจุบันนันจโยธรรมังเอาปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาเดินเลยเดินเป็นมัดกลมกลืนกันไปบางท่านติดอยู่ในนิมิตภาวนาไปเห็นแก้วเห็นแสงสว่างเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เหอเดินอากาศก็เลยถือออนนั่นมาเป็นความบริสุทธิ์แต่ก็บริสุทธิ์ในขั้นนั้น ถ้าตายคาฉันนั้นก็ไปเกิดทุเ ม, มือโลกยังไม่พ้นจากโกกสงสารเลยนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนิมิตทั้งหลายตั้งดูใต้อํานาจอันิจังเกิดขึ้นแล้วก็แ ป, ลปลรปวนได้แต่สลายกระทบ ม, มาฌานเข้าไปพักนิดหนึ่งก็ถอนออกมาทุติยฌานก็เหมือนกันละเอียดกว่านั้นทุติยฌานก็ละเอียดไปกว่านั้นเจตุธฌานก็ละเอียดไปกว่านั้น รูปรูปกรรมฐานกรรมฐานในพุทธศาสนาเนี่ยมีสองกรรมฐานเพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปกรรมฐานเพ่งอารูปเป็นลมเรียกอรูป์กรรมฐานหมดกําลังก็ถอนออกมาคืออนิจจังอละเอียตพัดให้รูปทุกขกะเบียดดาไปถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเรากันเขาสมาธิเป้หมายวามว่าพักงานถ้าพักอยู่นานงานก็ไม่ได้ถ้าไม่พักก็ไม่ได้งานผู้มีกําลังมากเขาก็ไม่พัก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 มดกําลังก็ถอนออกมาเหตุนั้นผู้ดใดมาพูดเรื่องเหล่านี้เราไม่ตื่นเลยแต่เราก็ไม่คัดค้านแต่ไม่ตื่นเพราะเจอมาแล้วอยู่ใต้อำนาจอธิจฐานมดกําลังก็ถอนออกมาเหตุนั้นเพราะเรามาศาสดาอาจารย์จึงมาให้ถือมันสิ่งไหนเกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นก็ดับเป็นก็ล่วงไปเป็น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 พัดให้รูตามมันจริงแล้วให้ก็ถือผู้รู้อีกด้วยพระบรมศาสตราลึกไม่ที่ท่านสมมติว่าปล่อยว่าวางนั่นเพื่อพูดให้เรารู้จักชัดถ้าไม่พูดอย่างนั้นมันก็ม่รู้จักชัดปล่อยวางชักท่านไหวยยนะผูกเป็นสมมติถ้าพิจารณาว่าสิ่งใด ใ, ในโลกล้วนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สรรมมัรพสัมพันธ์เป็นแต่สักว่าสมมติบรรดัดแล้วมันก็ปล่อยวางอยู่ในตัวนั่นเอง ถ้าสำคัญไ่ว้ ใ, ใจเป็นตนตนเป็นใจผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้แล้วมันก็ปล่อยวางไม่ได้ถ้าไม่สำคัญไ่ว้ใจเป็นตนตนเป็นผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่ตนตนเป็นไม่ใช่ผู้รู้แล้วมันก็ปล่อยวางอยู่นะที่นั้นเองจะทำกิริยาทำไมมันก็ว่างอยู่ตามทำไมชาินั่นเองที่สมุดได้ให้ปล่อยวางเพื่อให้เป็นบุคลาทิศาเพือ่อเข้าใจชัดเช่นเราลืมหลับตาอยู่ดังนี้ เร า, ลาเลื่อมตาขึ้นเราปล่อยวางมืดไหมมันปล่อยเองมันใช่ไหมนั่น <c oughs> แล้วรับตาอยู่อย่างนี้แล้วไม่ป่าเถนาจะปล่อยวางมืดอ้าวมันมันปล่อยวางเองมันมืดมันไปที่ไหนนั่นไปเลยใครเป็นผู้พูดใจก็สังขารวจีสังขารจิตตะสังขารเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังกจยสังขารวาจีสังขารจิตตะสังขารเป็นผู้ฟัง พ่อพ่อม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ดู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่ไ่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่เ่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ใ่่่่่่่่่่่ วิจัยก็เอาใจวิจัยถ้าไม่มีใจก็วิจไม่ได้ปัญญาก็ไม่มีใจที่มีสติก็มีปัญญาด้วยมีสติอยู่ที่ใดก็มีสัมปชัญญะอยู่ที่นั้นก็มีปัญญาอยู่ที่นั้นสติสัมปชัญญะพิ่งไม่ไ ด, พด้พูดมากเฉยๆพูดมากก็าม่ออกไปจากใจกใ็ให้หาลงมาหาใจทีนี้แต่แต่มาให้ติดอยู่ในมากแต่ก็มให้ติดอยู่ในน้อย ขยายก็ม่ให้ติดอยู่ในขยายย่นก็ม่ให้ติดอยู่ในยน่นเขาเชื่อเพ้นเดียวกันดังที่ว่ามาแล้วนั่นเองนะของของใหม่มีไหมไม่มีมีแต่ของเก่าเอสาธโมสนันตานุพระธรรมเป็นของเก่าผมดีใจมากผมดีใจมากก็ไม่รู้ว่าได้ใจมาจากไหนดีก็ใจรวงเก่านั่นเองผมเสียใจมากทําไมเสียเสียใจมากใจก็ใจรวงเก่านั่นเองนะมันเสียไปไหนนะใคร เป็นผู้ถามหาใจก็ผู้ใจนั่นเอ ง, เองถามว่าบาปมีไหมบุญมีไหมถามก็ผู้ถามหาบาปก็เอาตัวบาตรบุญมาถามผู้ตอบก็เอาตัวบาตรบุญตอบก็พิบาตอบกันวิญญาณมีจริงไหมผู้ถามก็เอาม a นวิญญาณถามผู้ตอบก็เอา m โน o วิญญาณตอบก็พิบากถามกันอีกเหมือนกันพระสานีบุตรนับเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรได้ แต่เรามีกิเลเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินเราก็นับได้อยู่นับยังไงสิ่งที่เป็นของแข็งก็นับเข้าในธาตุดินซะสิ่งที่เป็นของเหลวก็นับเข้าในธาตุน้ำซะสิ่งที่พัดไปมาก็นับเข้าในลมซะสิ่งที่ร้อนก็นับเข้าในธาตุไฟซะอ๋อนับไปเห็นเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรนับเป็นแดดเดม็ดลมในท้องมหาสมุทรดูซิ นับเม็ดไฟดูซินับเม็ดลมดูซิก็ต้องต่าว่าเอกพทวีธาตุคือหนึ่งดินเอกะอาโปธาตุคือหนึ่งน้ำเอกะวายโอธาตุคือหนึ่งลมเอกะเตโคธาตุคือหนึ่งไฟถ้าจะไปนับจนถึงอสัไขัยอสังขยผู้เป็นกรรมการนั่งอยู่ก็ผีบ้าผู้นับก็ผีบ้าวันไหนมันจึงจะจบก็ต้องนับเป็นฝ่ายสังข์ข้ สังกะโหแปลว่าสงฆ์อสังกะโหแปลว่าไม่สงฆ์ท่านเทศดูสี่เส้าพรรพษาเรียกว่าอสังกโหอืมเทศบุคคลด้วยวิธีนั้นเทศบุคคลด้วยวิธีนี้คนนั่นด้วยวิธีนั้นคนนั้นด้วยวิธีนี้เรานก็เ อ, อามารวมกันอาวทีแ bon ท้ก็มีความหมายอันเดียวกันมีความหมายให้พ้นจากเกตอาสวะเท่านั้ น, น, น, น, นเอ้าปฐมมาโพธิการที่พระบ ร, รมศาลาชามปฐมเทศนา ยางไม่บรรยัติปาราชิกสีสังฆาทิเศษที่สามอันนี้วัสองนี่ตะเคียนปายตีสามสี่ปยตีสองปายตีสนิยสีเีวัดเจ็ด่ายังไม่บรรยัติเลยยกขึ้นมาก็ชาติพิุขาท่านครถูกทั่วทั้งไตโลกธาตุเลยคำเดียวก็ผมไม่มีชาติดอกครับก็คัดอัตคับอ่าคัดค้าศไม่ได้ชาติพิศขาก็ผมไม่มีชราครับก็คัดค้าไม่ได้นั่นถูกมดทั้งไตโลกธาตุ มนานำพิรุขขังก็ผมตายไม่เป็นครับอมก็ไม่ไม่มีใครจะคัดค้านได้เหตุนั้นจึงถูกถือว่าทางใจโลกธาตุน่นนั่นนั่นเห็นทุกคณะคิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยกองทุกเห็นอนนี้กังคณะคิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความมเมติยงังถ้าไม่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครจะข้ามทะเลหลงของตจ้าตัวได้ตายขาดทะเลหลงเลย มันหลงอยู่มีสี่ข้ออย่างพิษดารหลงว่าหนังหุ่มอยู่โดยรอบเป็นของเที่ยงหลงว่าหนังหุ่มอยู่โดยรอบเป็นกองสุขหลงว่าหนังหุ่มอยู่โดยรอบเป็นตัวเป็นตนจริงๆจังจัจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกหลงหนังหุ่มอยู่โดยรอบว่าเป็นของสวยของอางมามกรรมฐานแต่และอย่างละอย่างส่งต่อพระิพ涅槃หมดมันขึ้นอยู่กับผู้ส่งผู้มีปัญญาส่ง กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างน้อมลงมาต่ําน้อมกรรมฐานฐานของพระองค์ลงมาต่ําพวกนั้นตกนรกเช่นพุทโธเลืกพุทโธผาพุทโธบัตพุทโธเบอร์เรียกว่าน้อมคําสอนของพระบรมศาสดาลงมาปนกับขี้หมูราขี้มาแห้งมันบาปมากพวกภาวนาหาเรียกขาผาเอาพระพุทธศาสนามาภาวนาหาเลี้ยขาผาพวกนั้นตกนรกพวกนั้นออืกลายเป็นพุทโธเลือกพุทโธผาพุทโธบัตพุทโธเบอ สูงลงมาหาต่ําพูดต่าขึ้นไปหาสูงหาเหมือนหายใจเข้าเหมือนหายใจออกอันเดียวกันสูงสาวไปสาวมาอยู่อย่างนี้หายใจก็เหมือนกันออกยาวบ้างออกสั้นบ้างออกยาวบ้างออกสั้นบ้างอยู่จังนี้ <c oughs> หายใจแเราหายใจเข้าข้างหนึ่งมันก็แปดหมื่นสีพระนมามรั้งแล้วมันขึ้นอยู่กับปัญญาของเรามีทั้งศีลสมาธิปัญญาด้วยมีทั้งความเกิดขึ้นแปรปวนนั่นแต่สลายด้วย พอเราหายใจขึ้นบอกว่าต้นลมมันก็กลายมาเป็นกลางลมแล้วมันก็เป็นกลายมาเป็นท้ายลมแล้วพอหายใจเข้าเราเนี่นี่นกลางลมนี่ต้นลมนี่กลางลมนี่นี่นี่กลางลม น, นี่ท้ายลมพอหายใจออกแค่นี้เราสม uk, สมติออว่าอันนี้เป็นต้นลมกลายมาเป็นกลางลมกลายมาเป็นท้ายลมอยู่ห้าระหว่างไม่ได้นี่มันยังไกลอยู่แค่นี่เราไม่ผ่านดั้งจมูกก็ไปผ่านเทไหนอันนี้ใกล้เราไม่บางท่านก็กาหนดลมไว้าเวลาหายใจเข้า เปลื้มที่ปากบางบนเวลาหายใจออกข้าวไฟผ่า น, านปลายจมูกอันนี้ก็ยังไกลยอยู่บางท่านก็เอาไว้ครับหลอดลมถ้าเราไม่ผ่านนี่จะไปไหนถ้เขาก็จ้องอยู่นี่อันพวกพวกนี้ภาวนาละเอียดมากนะพวกนี้พวกหนึ่งก็เอาไว้ที่ตั้งจมูกนี่เราไม่ผ่านนี่มันจะไปผ่านไหนเขาก็อยู่ที่นี่เราไม่ตายลมจะหายไปไหนเนี่ยเขาก็ตั้งสติไว้ที่นี่เขาไม่เนี่สายไปตามลมออกออกเข้าอย่างนี้ก็มีฉันทะพอใจในกรรมฐานที่ตั้งไว้ วิทยาเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฟักไห่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่ท อ, ย Mike Mike. อย่างนี้มีบริวัตแล้วอาจทักนาําบุคคลให้ถึงถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งเือนเดีวกัยทศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิสติและลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงศีลสมาธิปัญญาก็รวมอยู่คนอยู่ที่อันเดียวกันพลังพระละคือทาเป็นกำลังห้าอย่างก็อยู่ที่อันเดียวกันถ้ารู้แห่งเดียวร์ก็รู้หลายอย่างถ้าหลงแห่งเดียวก็หลงหมดอันเดียวกันทีนี้ขยายออกขยายเข้าเหมือนกันะก็มีแต่ขยายออกมีแต่ขยายเข้าเท่านั้นกันในทางพระพุทธศาสนากันเทศมีสองกันเท่า น, นั้นเทศออกไปภายนอกกลาหูวจมูกเล่นกาย เป็นภระเฮตธารมคือทำภายนอกตาหูจมูกเรื่อนกายเป็นทำภายในรูปอย่างเกิดรอดผลทัพอธิธรรมารมเป็นทำเป็นทำภายนอกเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและวแต่สลายหมดเบื่อหน่ายจำพวกนี้ไม่ยึดถือพวกนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันจะถึงพระน涅槃ที่นี้ย่นลงมาสั้นก็เป็นรูปขันนามขันเหมือนกันตาหูจมูกเลื่อนกายเป็นรูปขันใจเป็นนามขันอ๋ออนัตตะรักะสูตรสูตรที่ไม่ใช่ตัวตน รูปก็เป็นรูปตามเดิมคคอดินหน้า ม, มาจมกันเป็นกายเจ้าของรูปดินคืออะไรผมขนแล้วันนั่งเลกระดูกแยกในกระดูกม้ามห้อยใจตาฟังฝืนไตปอดไสใหญ่หแ้อยอาหารมายังเก่านีน่ธาตุดินดีดีหน้าคืออะไรดีสเสด็น้อง เ, อ ง, เงื่อนเหินมันคน้นน้ำตาเป็มนน้ลายน้มูกน้ไขพ่อน้ามูกนี่เป็นธาตุน้าไฟที่อางการให้อุ่นไฟที่งการให้สุดโจไฟที่องการกวนกรายไฟที่พออาหารนายยอดนี่ธาตุไฟเราพัดขึ้นเรืองลมลมหนาวลมเลอลมอ้วกลมพันลงเร่ต่าคือลมหายลมคือลมอุจระปัสาวะนี่ก็เป็นไสสัก ไฟเที่ยงกายให้อบอ่นไฟเที่ยงกายให้สุดลมไฟเที่ยงกายควรไหไฟเที่ยงกาย ห, หอาหารให้ย่อยนี่รวมลงเป็นธาตุดินเรียกว่ารูปขนันรู ป, ประธาตก็ว่านามธาตุูประธาตก็ว่ารูประโรก็ว่ารูปอินทรีย์ก็ว่ารูปสังขารก็ว่าเกิดขึ้นแลวปรก้แต่สลายทั้งนั้นดินแต่ไปเป็นนน้ำแต่ไปนน้ไฟแต่ไนไฟลมแตกไปเป็น ล, ลมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันความสศวยอารมณ์สุขทุกเบทขาเดี๋ยวพอเกิดขึ้นแล้วปรได้แตกสลายสัญญาความจาจำรูกจาเสียงจำสิ่นจารสจาผดถพระจาธรรมารม ยาำรูปเรียกว่าอะไรรูปะสัญญาสันทะสัญญาคันทะสัญญารสสัญญาปุพตะสัญญาธรรมะสัญญาเกิดขึ้นนักกาแปคแต่ลายเหมือนกันสังขารความปุงแต่งแห่งจิตดีชั่วกลางกเกิดขึ้นแฟวแวิญญาณคืออะไรจักกุวิญญาณวิญญาณทางารูกกระทบตาเกิดความขึ้นยจักกุวิญญาณเสียงกระทบหูเกิดความขึ้นยโสตวิญญาณกินกระทบจมูกเกิดความขึ้นเรคานะวิญญาณรสกระทบเลี้ยเกิดความขึ้นยกิวหาวิญญาณผลตะพักกระทบ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 เมื่อเธอรู้ตามเป็น จ, จริงแล้วความหลงของเธอก็จะหายไปพระารมศาสด า, า, ก, าก็ชนะกันอยู่นาะทีนั่นเองชนะก็ชนะกันอยู่นี้แพ้ก็แพ้กันอยู่นี้ชนะภายนอกไม่มีในทางพระพุทธศาสนามีแต่เวนสนองเวนภยัยฉนองภยัยพระพุทธศาสนาปลดอาวุธแล้วและทํามันด้วยพูดทั้งหยาบทั้งละเอียดปนไปกันไปเหมือนแกงเหมือนแกงหม้อใหญ่่ขั้วฉลาด ก็ไม่ต้องกินทั้งผัดทั้งก้าวต้องไม่ไ ม, ไม่ต้องไมากินก้างได้กระดูกเขาก็หากินแต่เนื้อของมันถูกไหมแกงม่วใหญ่ผู้โหก็กินทั้งก้างกินทั้งกระดูกพระพุทธศาสนาด้านปฏิบัติสอนแล้วด้านปกครองเงินก็สอนแล้วทําเป็นโกกรกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างเท่านั้นถ้าไม่มียางอายมงหินิความละอายต่อบาปอสตระรุ่งครัวต่อบาป ถ้ไม่ละอายตระบาสมันรุกว่านตระบาแลนะ้วกฎหมายกฎหมูกฎพักกฎพวก ก, พว ก, ก็ตั้งไม่อยู่ข้องต่ำไม่นำคํานึง่งก็หมดแต่ฟึ่งฟริงอิงอาศัยทำควาช่วยในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในเครับนะ้าวิธีปกครองโลกพระพุทธศาสนาปกครองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าองคไห น, านามาก็มายืนยันอันนั้นนั่นนั่น่น น, นั่น น, นั น, น, น, นไม่ได้ลบล่างพรบกันเลยอันนี้พวกชาวโลกตั้งกฎหมายกันอยู่ทุกปีทุกเดือนแล้วไม่เป็นเสียเงินตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านตั้งแผ่นดินก็แล้วไม่เป็นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะคนมีเกล มันตั้งเข้าข้างตัวบ้างตั้งเขาข้างพักของตัวบ้างเพราะเราศาสนาไม่ได้ตั้งเข้าพักของใครเลยพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาลงเ อ, อ่ยกันเพราะมันถูกไฟแล้วเหตุนั้นท่านจึงเคารพทมเพราะเป็นดิ่งเป็นธรรมะที่ปฏาย่ำนั่มนั่นั่มไม่ใช่ราชาธิ่ปฏายไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่โลกาธิ่ปฏาย่พระพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่ปฏายเอ้าถ้าจะเอาประชาธิปไตยหมดยกวัสหอนถามกันเดียวนี้แหละก็จะคากันเดียวนี้แหละอ้า ถ้าชาวโลกเนี่ยพร้อมกันว่ามันมีบาปมีบุญหมดลงคะแนนกันหมดจะเอาไหมลวงปู่ไม่เอาเนึกไม่เอาใครจะเอาก็เอาป ะ, ะ <c oughs> ไม่เอาถ้าพุทธศาสนาบัญยัติบาปก็เป็นบาปบัญยัติบุญก็เป็นบุญจริงไม่เหมือนคนมีกิเลสบรรยัตินั่นั่นนันนเหตุอยางนั้นจึงว่าทำให้โลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้เอ้าออกจากนี่ทำมันล่วงละเมิดอันนี้แหะมันก็ไปล่วงละเมิดสินห้าเอา้าลบกุศลถ้าในโลกนี้มีสินห้าหมด ทหารไม่ไหวทำไม่ตำรวจไม่ไหวทำไม่ไม่ต้องได้มีตำรวจก็ไม่ต้องมีโทษตรวนก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าใช่ไหมนะนั่นนันั่ น, น, นสงบไปหมดแล้วนี่พระพุทธศาสนายังเป็นพระพุทธศาสนาที่ทำมันแล้วผู้ที่เคารพพระพุทธศาสนาผู้ที่มาบวชนะพระพุทธศาสนานี่นั่นปรมาณสี่ห้าแสนคนพระในในประเทศไทยนี่คิดคร่าวๆน้อยๆถ้าพวก คนสีห้าแสนนี่ออกไปมีลูกมีเมียดูดูลูกมันเอ๋ยได้น่ามันเอ๋ยเลือกสวนมันเอ๋ยอะไรมันเอ๋ยจะได้ได้ที่ดินที่ไหนมาพอจะได้ทัพย์สินที่ไหนมาพอนั่นนั่นมันทำหมันอยู่ในตัวแล้ว่ะที่ผู้ที่เขาถือสินถือทำเขาก็ไม่ร่วมเกินกรรมอารมณ์กันในวันพระวันเจ้าน่ะมันเป็นหมันอยู่แล้วพระพุทธศาสนาทํามันแล้ว แต่พวกเราไม่ทำมันเสียเลยสิ่งไหนที่ราคะจะจัดขึ้นพวกเราก็ไปหลอกลวงกันให้จัดขึ้นเช่นบาบ้าบ า, บาเหล่านี้เป็นต้น <c oughs> พูดน้อยพออธิบาย <c oughs> พูดหลายนักเดียวเสร็จเลยถูก <c oughs> <c oughs> นดเดียวเสร็จเลยสิ่งไหนที่ส่งเสริมต่อเติมราคะให้จัดขึ้น สิ่งนั้นจะเป็นภ า, ภาสิทธิ์ไพรสเโสดับเพียงใดก็ตามไม่ใช่คําสอนของพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่จะทําให้โทสะกําเริบขึ้นด้วยคํากรวตบาทหรือไพราะสนเโสดับเพียงใดก็ตามหรือเป็นภาษามัคดก็ตามไม่ใช่คําสอนของพุทธศาสนาสิ่งไหนที่จะรวงให้หลงมากขึ้นอันนั้นก็ไม่ใช่คําสอนของพพุทธศาสนา กามไม่ตกความตริตในทางกามพยาบาทไม่ตกความตริตในทางพยาบาทมีหนิงสาวเวทตกความตริตในทางเบียดเบียนไม่มีอยู่ในใจผู้นั้นผู้นั้นมีที่พึ่งอันกเกษียณแล้วพระบร ม, มชาติาลาภเนี่ยใครมีหรือไม่มีอันนั้นเป็นเรื่องของเจ้าตัวจะเห็นเองไม่ใช่ก็อาจจะไปะหาพักหาเสียงถูกไหมพูดง่ายไปพออธิบายพูดหลายหมวกนีเอวันซัก